กลับจากประเทศศรีลังกาท่านพระครูไม่มีของฝากที่เป็นอั ญ, ญมณีหรือใบชามาฝากลูกศิษย์ลูกหาเพราะท่านไม่มีเวลาไปชอปปิง้งเชกเช่นคนอื่นๆทุกเวลานาทีของท่านล้วนมีค่าและท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อนำกลับมาถ่ายทอดเป็นธรรมทานแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ สิ่งที่ท่านได้ไปพบเห็นที่ประเทศศรีลังกานั้นเป็นประสบการณ์ที่หาค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการได้พบกับสมเด็จพระพุทธารย์โตพรหมรังสีการได้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทยหรือการไปเห็นนารีผลในถ้ำบนเขาสิกิริยาซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ยังไม่มีผู้ใดได้รับรู้มาก่อน การฝึกฝนอบรมกายจิตในครั้งอดีตทำให้ท่านได้มาเก็บเกี่ยวผลในปัจจุบันส่วนของสิ่งหนึ่งที่พระในถ้ำให้มานั้นท่านตั้งใจว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดภิกษุสิงหนรูปนั้นสั่งมาว่าหากต้องการไปเที่ยวป่าหิมพานเพื่อจะดูต้นนารีผล ก็ให้ไปพบท่านที่ทำแห่งนั้นและนำของสิ่งนี้ไปด้วยทว่าท่านคงไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นเพราะภาระหน้าที่ของบรรพชิตคงไม่เอื้ออำนวยให้มีเวลาไปท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งท่านก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่านารีผลนี่จริงเมื่อมีผลก็ต้องมีต้นท่านเคยเห็นภาพที่อาจารย์เฮมเวชกรวาดไว้ตามผนงังโบสถ์ เป็นภาพที่งดงามมากและเหมือนของจริงที่ท่านได้พบมาแล้วต่างกันนิดเดียวคือสีผมที่อาจารย์เหมวาดนั้นเป็นสีดำแต่ของจริงเป็นสีทองนับว่าจิตกรท่านนี้จินตนาการได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดลุงพ่อไม่เห็นมีอะไรมาฝากผมเลย พระมหาบุญทวงของฝากผมต้องขออภัยไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งช้อปแป้งกับใครครับอีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่าของฝากที่คนอื่นเขาซื้อกันนั้นที่เมืองไทยก็มีท่านพระครูให้เหตุผลเช่นอะไรบ้างครับใบชานั่นไงถ้าท่านต้องการ เดี๋ยวผมจะไปซื้อใบชาตรากระต่ายมาถวายหนึ่งกระป๋องรสชาติคงไม่แพ้ใบชาสีลังกาหรือไม่ก็อาจจะดีกว่าเราคนไทยต้องอุดหนุนสินค้าไทยจะได้ไม่เสียดุลการค้าหลวงพ่อชาตินิยมดีจังถ้าคนไทยทุกคนชาตินิยมเหมือนหลวงพ่อรับรองว่าชาติไทยเรา จะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ญี่ปุ่นพระมหาบุญชมขอทีขอทีอย่าพูดถึงศัตรูให้ผมได้ยินพม่าหนึ่งญี่ปุ่นหนึ่งผมไม่อยากได้ยินแม้ชื่อมันบาดใจทําให้นึกถึงอดีตที่เขาทำไว้กับชาติบ้านเมือง ท่านพระครูรีบห้ามเขาทำอะไรเราไว้หรือครับพอดีผมเกิดไม่ทันเลยไม่ทราบหลวงพ่อเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับพระมหาบุญยิ่งอยากรู้เข้าตํารายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุก็่อทำกับเราไว้ตอนสงครามโลกไงละ่ะหนท่านตอบมาสิว่า สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเมื่อไรครั้งที่สองเกิดเมื่อไรพระลูกวัดถูกถามผมไม่ทราบหรอกครับผมเกิดไม่ทันพิกษุวัยสามสิบเศษอ้างเหตุผลเดิ ม, เ, ดมเกิดไม่ทันก็รู้ได้ผมก็เกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมผมถึงรู้ ท่านพระครูแยงก็หลวงพ่อเก่งนี่ครับในพื้นปัตภีอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะหาผู้ใดเก่งกล้าสามารถทัดทีมหลวงพ่อได้ล่ะผู้อ่อนวัยกว่าถือโอกาสสรรเสริญเยินยอมากไปถึงอย่างไรผมก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มกับคำเยินยอของท่านทั้งนี้ก็เพราะผมมีสัปุริสธรรม ครบทั้งเจ็ดประการโดยเฉพาะประการที่สามคืออัตัญญุตาแปลว่าความรู้จักตนผมรู้จักตัวผมดีว่าผมนั้นมีความรู้ความสามารถความถนัดและคุณธรรมแค่ไหนเพียงไรแล้วผมก็ประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป เพราะฉะ น, นั้นใครจะติชมอย่างไรผมก็ไม่ใจฟุบใจฟูตามไปด้วยหรอกคนดีจะต้องรู้จักตัวเองจริงไหมแม้ลุงพ่อผมพูดนิดเดียวลุงพ่อขยายความออกไปตั้งเยอะแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผู้อ่อนวัยกว่าย้อนกลับถามเรื่องเดิม ถ้าผมจำไม่ผิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2457ถึง2462ส่วนครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อปี2482และไปสิ้นสุดในปี2488ถ้าหลวงพ่อจำผิดละครับ พระลูกวัดตั้งใจยัว่วถ้าจำผิดก็ไม่ถูกนะสิไม่น่าถามนี่ดีนะที่ท่านถามผมถ้าไปถามคนอื่นเขาจะต้องว่าท่านโง่ลุงพ่อนี่ฉลาดจริงๆดูเถอะขนาดจะด่าผมก็ยังอุตสาค ข, ขอยิมปากคนอื่นมาดา่าแต่เอาเถอะครับผมในฐานะพระลูกวัดจะมาทะเลาะเบาะแวงกับสมภาร หาสมควรไหมว่าแต่ว่าผมอยากรู้เรื่องสงครามโลกหลวงพ่อจะกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับได้สิแต่เล่าเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองนะเพราะผมก็มีส่วนกับเขาเหมือนกันถ้าทางท่านภูมิใจที่ได้มีส่วนหลวงพ่อออกรบกับเขาด้วยหรือครับพระลูกวัดมีอาการตื่นเต้น เปล่าหรอกตอนสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนั้นผมเพิ่งอายุ17ยังไม่ได้เกณฑ์ทหารแต่ผมก็มีส่วนร่วมในการแกล้งพวกญี่ปุน่นเพราะผมเกลียดมากถึงเดี๋ยวนี้แม่ผมจะไม่เกลียดพวกเขาเพราะผมเป็นพระแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบชาติเราโดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจแล้วตอนนั้นหลวงพ่อแกล้งพวกญี่ปุ่นอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนต้องเล่าก่อนว่าญี่ปุ่นเขาทำอะไรผมถึงได้เกรดพูดยังไม่ทันจบพระลูกวัดก็ทิงถามขึ้นว่าเขาทำอะไรหรือครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆผมกาลังจะเล่าอยู่นี่ไง ท่านอย่าซักให้มากนักสิเดี๋ยวผมเลยเล่าไม่ถูกผมก็ประหมาเป็นเหมือนกันนะหลุงพ่อก็กำหนดสิครับประหมาเนาะประหมาเนาะหรือถ้าคิดไม่ออกก็กำหนดคิดเนาะคิดเนาะ อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยสอนลูกศิษย์ลูกหาพระลูกวัดถือโอกาสสอนสมผานจะฟังหรือไม่ฟัง ถามเสียงห้วนฟังครับฟังนิมนต์เล่าท่านยกมือขึ้นประนมถ้าจะฟังต้องหยุดพูดถ้าไม่หยุดพูดผมจะหยุดเล่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกทั้งสองไม่ได้ผมขอเลือกหยุดพูดครับนิมนต์หลวงพ่อเล่าตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยท่านพระครูจึงเริ่มต้นเล่า ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นพวกทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วโดยที่คนไทยไม่รู้ตอนนั้นผมอายุสิบเอ็ดปีพวกทหารปลอมเป็นพ่อค้าหับเร่บ้างเป็นช่างซ่อมรองเท้าอยู่ข้างถนนบ้างคนไทยก็นึกว่าเป็นคนจีนต่างด้าว ที่เข้ามาค้าขายเพราะพวกเขาแต่งตัวเหมือนคนจีนไว้ผมเปียด้วยผมเคยไปเที่ยวลบบรุรีไปไหว้เจ้าพ่อศาลพระการพอดีรองเท้าขาดก็ถอดให้ตะแปะที่นั่งรับซ่อมรองเท้าอยู่ข้างทางซ่อมให้พอสงครามโลกเกิดปรากฏว่าคนพวกนี้ ก็พร้อมใจกันแต่งชุดทหารพรุบเลยแถมมีอาวุธครบผมเปียหายไปเพราะเป็นผมปลอมเลยกลายเป็นว่าทหารญี่ปุน่นเต็มเมืองเลยแบบนี้คนไทยก็หมดทางสู้พวกเขาฉลาดมากที่ยึดเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแต่ผมแค้นแค้นมากเลยร่วมมือกับพรรคพวกแกล้งญี่ปุน่น เชื่อไหมผมทำร้ายทหารญี่ปุ่นไปหลายสิบคนพวกเขาถึงตายไหมครับไม่ตายหรอกแค่สลบเมือดเท่านั้นถ้าตายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่คนไทยจะต้องเดือดร้อนผมก็เลยเอาแค่สลบตอนนั้นผมใจร้ายมากแต่ถึงจะใจร้ายอย่างไรก็ไม่เคยฆ่าคนนะครับ ถ้าค่าเห็นจะลำบากลำบนมากกว่านี้เวรกรรมมีจริงนะท่านเมื่อก่อนผมไม่เชื่อตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อพอกรรมาให้ผลถึงได้เชื่อและเลิกสร้างกรรมทำเวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อแกล้งทหารญี่ปุ่นยังไรครับ แกล้งขโมยของเช่นเสื้อผ้าน้ำมันโดยพายเรือไปเทียบกับเรือญี่ปุ่นต้องทำตอนดึกๆนะพอเทียบได้ก็ขึ้นไปขโมยให้คนดูต้นทางให้พอญี่ปุ่นรู้ตัวก็กระโดดน้ำหนีคนญี่ปุ่นถึงจะฉลาดแค่ไหนก็ยังแพ้คนไทยเรื่องโกงเก่ง แกล้งเก่งนี่คนไทยกินขาดท่านเห็นด้วยไหมถ้าพูดแบบไม่เ่้าข้างคนไทยผมก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยครับเรื่องโกงเรื่องแกล้งเนี่ยคนไทยเราเก่งมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเรื่องทำร้ายทหารญี่ปุ่นละครับหลวงพ่อทำอย่างไรพระลูกวัดอยากรู้มันต้องมีเทคนิคต้องเรียนรู้ก่อนว่าทาอย่างไร จะไม่ให้เขาตายคือพวกทหารญี่ปุ่นชอบมาฉุดคร่าลูกสาวชาวบ้านไปทำเมียถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมเรื่องฉุดคร่านี่พวกญี่ปุ่นไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพวกพมา่าพม่าทํากับเราโหดร้ายกว่าญี่ปุ่นหลายเท่าผมจึงเกลียดพมา่ามากกว่าญี่ปุ่นคือผมหมายถึง เมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้บวชเดี๋ยวนี้เป็นพระจะโกรธจะเกลียดใครไม่ได้ผมจึงเลิกเกลียดแต่เมื่อไรที่ผมศึกรับรองว่าผมเกลียดพ ม, ม่าเป็นสองเท่าของเมื่อก่อนลุงพ่อยังคิดจะศึกอีกหรือครับขนาดผมหนุ่มกว่ายังไม่คิดจะศึกตั้งแต่อกหักรักร้าวคราวนั้นแล้วผมก็ไม่คิดจะศึกอีกเลย พระมหาบุญเผยความในใจนอกจากนี้ท่านยังประชดด้วยการฉันเสดจนอ้วนเป็นพระสังกระจายท่านพระครูช่วยต่อให้ลุงพ่อแล้วก็ชอบพูดถึงปมด้อยของผมอยู่เรื่อยที่ผมแกล้งทำให้ตัวเองอ้วนลงพุงจนดูน่าเกลียดก็เพราะผมไม่อยากให้สาวคนไหนมาหลงรักผมอีก เรียกว่าผมดำเนินรอยตามพระมาหากัจเจยนะซึ่งแต่ก่อนท่านรูปร่างหล่อเหลามากจนผู้ชายด้วยกันก็ยังหลงรักตอนหลังท่านเลยเนรมิตกายให้อ้วนจนดูน่าเกลียดคนเลยเรียกท่านว่าพระสังกระจายทีนี้ผมยังไม่เก่งถึงกับจะเนรมิตกายได้เลยต้องฉันให้อ้วนแทนหลวงพ่อครับผมว่าเราพากันออกนอกประเด็นอีกแล้วหลวงพ่อยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยว่า ทำร้ายทหารญี่ปุ่นอย่างไรก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีเทคนิคเทคนิคที่ว่าก็คือทำอย่างไรจะไม่ให้เขาตายแล้วก็ต้องให้สลบด้วยไม่สลบไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับฟังแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะถ้าเป็นผมคงจะดูไม่ออกว่าเขาสลบหรือตาย ผมถึงบอกว่ามันต้องใช้เทคนิคอย่างไงล่ะท่านพระครูย้ำลุงพ่อจักรุณาบอกเทคนิคที่ว่าได้ไหมครับได้สิท่านเอาไปใช้ได้เลยนะรับรองว่าไม่มีพลาดแต่ต้องศึกเสียก่อนนะถ้ายังไม่ศึกอย่าใช้เดี๋ยวจะต้องอาบัติท่านพูดเล่นถ้าเช่นั้น ผมคงไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะไม่คิดจะสึกถามจริงๆเธอหลวงพ่อยังคิดจะสึกอีกหรือครับผู้อ่อนวัยกว่ารู้สึกกังขาโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยังแท้แน่นอนหรอกท่านมหาเพราะฉะนั้นผมจึงพูดไม่ได้ว่าจะสึกหรือไม่เพราะถ้าผมบอกว่าจะสึกแล้วเกิดไม่ได้สึก หรือบอกว่าไม่สึกแต่วันหนึ่งเกิดต้องศึกก็จะกลายเป็นว่าผมพูดเท็จฉันนั้นจึงขอไม่ตอบแต่จะบอกเทคนิคที่ท่านอยากรู้คือการทำให้คนสลบโดยไม่ตายนั้นต้องตีด้วยไม้คมแฝกตีตรงไหนครับตรงทัดดอกไม้นี่ตรงนี้ ท่านชี้ตรงบริเวณกกหูแล้วถ้าเกิดพลาดไปถูกที่อื่นล่ะครับพลาดไม่ได้สิเพราะถ้าพลาดอาจทำให้ถึงตายได้หรือถ้าไม่ตายเราก็จะเดือดร้อนเพราะเขาจะจำหน้าได้แล้วก็จะพาพักพวกมาเล่นงานเรามันต้องมีเทคนิคในการตีด้วยคือต้องย่องเข้าไปทางด้านหลัง แล้วเรียกให้เขาเหันมาจังหวะที่เขาเหลียวมานั้นเราก็ใช้ไม้คมแกฝกฟาดเปรี่ยงลงไปตรงทัดดอกไม้รับรองว่าสลบมือดทุกรายผมลองแล้วไม่มีพลาดสักรายถ้าท่านคิดจะศึกก็มาขอเรียนวิชานี้กับผมได้ผมเต็มใจสอนให้โดยไม่ต้องมีค่ายกครู ศึกออกไปจะได้มีอาชีพท่านพูดยิ้มยิ้มอาชีพรับจ้างตีหัวคนนี่หรือครับงั้นสิรับรองว่ารวยแน่หรือไม่ก็จะไปรุ่งเรืองอยู่ในคุกเรื่องรวยนั้นผมต้องการแน่นอนแต่เรื่องไปรุ่งอยู่ในคุกผมคงไม่รับประทานต่อให้เป็นเจ้าพ่อคุกผมก็ไม่ปรารถนา มหาวัยสามสิบเศษไม่เห็นด้วยตามใจท่านก็แล้วกันแต่ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกผมได้ผมจะสอนให้ทันทีผู้อาวุโสกว่ายังคงยั่วเยาว้าหลวงพ่อครับที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือหลวงพ่อทำอย่างไรถึงไปตีทหารญี่ปุ่นได้ไปซุ่มดักตีหรือว่าเข้ามาให้ตี พระลูกวัดยังไม่หายสงสัยไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่ใช่คือตีตอนเขารำวงคือสมัยนั้นจอมพลปอท่านให้จัดรำวงขึ้นทุกหมู่บ้านเพื่อให้คนไทยได้รีแลกซ์ท่านใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรแหลกนะครับ พระมหาบุญไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศไม่ใช่แลกรีแลกซ์แปลว่าพักผ่อนเพื่อให้คลายความตึงเครียดบ้านเมืองเกิดศึกสงครามผู้คนก็พากันหวาดกลัวเลยเกิดความเครียดขึ้นท่านจึงให้ผ่อนคลายด้วยการมารำวงกันผู้คนก็รู้สึกสนุกสนาน ลืมเรื่องสงครามไปได้แล้วทหาร ญ, ญี่ปุ่นเข้ามารำด้วยหรือครับแล้ว้อรำเป็นหรือภิกษุช่างสงสัยยังคงถามอย่าว่าแต่คนญี่ปุ่นจะราไม่เป็นเลยคนไทยที่รำไม่เป็นก็ยังมีอีกมากทั้งที่การรำวงเป็นวัฒนธรรมไทยบางคนราท่าจับแกะ บ้างก็ห่าควักกับปิบ้างก็ท่าแรงปีกหักหมั่วกันไปหมดจะหาใครรำสวยเท่าผมนั้นยากเต็มทีท่านทำท่ายืดอกขณะพูดทำไมหลวงพ่อถึงรำสวยกว่บเพื่อนล่ะครับถามอย่างนึกสนุกเพราะผมชอบดูลิเกนะสิผมจำมาจากลิเก ท่านอย่าคิดว่าการดูลิเกไม่มีประโยชน์ว่าที่จริงแล้วเราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งที่เราผ่านพบในความร้ายก็มีความดีแฝงอยู่ถ้าเรามองลึกๆอย่างการดูลิเกถ้าเราจะเอาประโยชน์ก็ได้มากมายเป็นต้นว่าการใช้ราชาสั์ซึ่งพวกลิเก เขาเก่งมากคนที่ดูบ่อยๆสามารถพูดราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเรื่องนี้ผมเคยเห็นมาแล้วครับผมก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วแต่ที่ผมอยากทราบคือหลวงพ่อตีทหารญี่ปุ่นตอนไหนตอนรำวงหรือว่าตอนหยุดพักแม้ถามละเอียดดีจังผมก็จะเล่าอย่างละเอียดเช่นกัน คือพอรำบงเขาก็จะมีเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงกันคนไทยก็พยายามมอมเหล้าทหารญี่ปุ่นพวกนั้นก็จะหลงกลดื่มจนเมามมยแล้วก็จะออกไปรำวงผมก็จะรำด้วยพอพวกญี่ปุ่นเริ่มเมาผมก็จะส่งสิกแนลบอกพักพวกเราก็จะไปเอาไม้ที่ซ่อนไว้ออกมา แล้วเรียกทหารญี่ปุ่นพอเข้าเหลียวมาเราก็ฟาดเปรี่ยงตรงทัดดอกไม้พวกนั้นก็จะสลบมื่เลยจากนั้นก็วงแตกบ้านใครบ้านมันส่วนเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าภาพก็จะรอให้ทหารที่ไม่เมามาหาเพื่อนที่สลบกลับไปเยียวยาผมก็แอบส่งคนไปสอดแนมปรากฏว่า ไม่ตายสักรายเดียวนี่คือวีรกรรมที่ผมได้ช่วยชาติและผมก็ภาคภูมิใจมาจนบัดนี้แล้วมีบ้างไหมครับที่หลวงพ่อเมาจนลืมส่งสัญญาณผมไม่เคยเมาเพราะผมไม่ดื่มผมเกลียดคนดื่มเหล้ามากถ้าดื่มผมคงไม่ได้มาเป็นพระอยู่อย่างนี้ คงจะกลายเป็นคนขี้เล่าเมายาหรือไม่ก็เป็นโรคตับแข็งตายไปนานแล้วผมเกลียดเล่ามากเกลียดคนดื่มเล่าด้วยสมภารวัดบ่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น